วันว น, นี่ไม่ได้ชวนสักหน่อยมาหาฉันบ่อยเลยที่งานร้องเพลงแค่ฉันนั่งจ้าจ้าลุยเอียงหน้าให้นิดหลือย่องไปนั่งชิ ด, ชด ไม่มีไอฉันก็พูดแค่นี้แล้วเขาก็รีมาเองสนุกสนานนี่ฉันไม่ได้ทำนาแล้วไม่ได้ชวนเขานา อ้วนอ้ีอ่ไปได้ชวนสักหน่อยมาหาฉันบ่อยเลยที่งานเรา ฉันเองอย่าเครื่องอย่ากรอดอย่ามาทอดฉันนะฉันไม่ได้ชวนเขาหนา เครื่องอย่ากรดอย่ามาทอดฉันนะฉันไม่ได้ชวนเขาหนา